หลวงพ่อพูดก็รู้สึกพออกพอใจใได้บอกได้สอนผู้ฟังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเรต้องเป็นอย่างนี้แหละในการศึกษาปฏิบัติธรรมอาศัยการได้ยินได้ฟังพูดก็ต้องพูดเรื่องงานเรื่องการที่เป็นเป็นงานเป็นการที่เราได้ทำ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 เวลาที่เราได้ยินเวลาเราได้ทํามันเป็นเหมือนที่เราได้ยินมาเราก็บางอย่างก็เอามาแก้ไขบางอย่างก็สร้างสรรค์อาศัยการได้ยินเอามาทําอาศัยการกระทำไปได้ยินเราก็ต่อให้มันเรื่องดีเป็นไปอย่างนั้นในว่าการปฏิบัติ <c oughs> ใครจะ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 ให้ลกให้หลานไม่โอกาสทําได้แต่ว่ากลัวที่จะพ่อแม่หามาได้ไว่ก็พ่อแม่ก็ต้องขยันหมั่นเพียรต้องสร้างต้องทำแล้วก็ได้คนที่ไม่ขยันไม่สร้างมันก็ไม่มีทรับภายนอกทรับภายในนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่สร้างมันก็ไม่มีแต่ว่ามันก็มอบให้ใครไม่ได้ กล้วกามก็พึ่งได้ทรัพยภายในในความรูดสึกตัวมันพึ่งได้มันไม่จนทรัพยภายในใมันทาลายไม่ให้มีความทุกข์ไม่ให้มีความโลภความโกรธความหลงไม่ให้มีความหลงมันคุ้มคองไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ทรัพย์ภายในไม่ความรูดสึกตัวไม่ต้องไปกลัวผี <c oughs> กลัวอะไรที่เป็นของลึกๆ ล, ลับๆกลัวคุณศาสตร์คนใช้คนจะทําให้เราอย่าง น, านั้นอย่างนี้ขานได้เลยพวกเราผู้ที่ทํากรรมฐานแม้แต่ผีเราไม่ต้องกลัวคุณศาสตร์คนใช้ก็ไม่ต้องกลัวอ่าเพราะว่าเราเราลูกของเราเราเห็น เราลูกเึือตัวอยู่เราไม่ทำความชั่วเราทำความดีไปเห็นสิ่งที่มันจริงเห็นเช่นเห็นรูป เ, เห็นนามว่าเป็นรูปทำนามทำมันเป็นรูปทำนามทำมันต้องทำเอาเองทำดีก็ทำเองทำชั่วก็ทำเองอยิ่งไปเห็นสมมุตมิบัญญัตสิ่งที่เป็นสมมุตินี่ ก็ยิ่งเห็นชัดเรื่องเรื่องสยาสารเลือกฤทธปฏิหารที่จะเกิดจากคนจากอะไรต่างๆนั้นไม่มีหรอกนะถ้าเราเห็นสมมติยืดไปเลยสาถาอาคมคนศาสตร์คนไสที่เขาจะทำให้โอ้มันเป็นสมมุติมันไม่จริงมันไม่ใช่เป็นประมัด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 เมื่อเรามีทีมืออย่างนี้มันก็พอตัวอะไรที่มันเกิดขึ้นมันทำได้่าจะบุญคือรู้ใจมันดีอ่ามันก็ต่างกับบาปบาปก็คือไม่รู้ใจมันเราหลอนเป็นทุกข์น่คือบาปสวรรค์หรือสวรรค์ก็คือใจดีอารมณ์ดี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 เรียกว่าสวรรค์มาได้เป็นทุกข์เป็นโทษเพตาเพหูเ พ, พลูกเพราะฟนเสียงมาได้เป็นทุกข์เป็นหลงเพราะสิ่งเหล่านั้นอาจะเป็นในพานก็อ่าเย็นสิ่งที่ร่อนทําให้เย็นสิ่งที่มันเย็นก็ทําให้มันเย็นไปเรื่อยๆไม่มีพิษไม่ภยัยเอาไว้ใช้เพื่อเย็นเอาไว้ใช้เพื่อ ไม่มีพิษไม่ไภัยมันจืดเพราะว่าทุกขมันก็จืดแล้วเขาว่าสุขมันก็จืดแล้วมันไม่มีลพราะว่าโกรธมันก็จืดแล้วโลภหลงไม่ตกกังวลมันจืดแล้วแต่ก่อนมันมีลดสิ่งเหล่านั้นนะ่ะซัดเราที่ได้นะ่ะอ่หน้าเอยไรแบบนี้มันไม่น่าเอยมันจืดแล้วมันไม่มีค่าความโลภความโกรธความหลงความ ล, คามลกความชัง ความวิตกกังวลเศร้าหมองอมันมันจืดมันเย็นมันไม่มีพิษความโกรธไม่มีพิษความโลภความหลงความรักความชังไม่ได้ดีใจเสียใจเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เอาใจเพื่ออะไรลองรับสิ่งเหล่านั้นแล้วนะมีจิจมีใจมันก็พึ่งได้อ่าใจมันก็พึ่งได้ใจสําหรับไปหยุดไว้เย็นแต่ก่อนใจมันไปทุกข์สนไปยินดีไปยินไล่ไปรักไปชังไป อะไรไปทำหนองแตบรบนี่มันจืดจ่ายสิโลนั่นแล้วมันมาทางนีน้มาทางความหยุดมาทางความเย็นนะมาทางการปล่อยการว่างเลนะถ้าเป็นนิพพานนะมันไม่เกิดแบบนั่นอีกมันได้ที่แบบนี้อ่ามันก็เลยนิพพานซะนิพพานทางจิตใจไม่ปูไม่แฝบอ่านิพพานแบบ อเข้าถึงเนื้อถึงตัวอะถ้าเป็นนิพพานนะเออยังไม่ตายก็มีบ้างก็ได้สวรรค์ก็มีอโลกก็ปิดตายเด็ดขาดก็ว่าได้ครับไม่มีทางที่ตกตะลุกเป็นเศษเป็นสโลกายเป็นสดิระชนันและไม่มีโอกาสที่จะตายเพราะอสิ่งเหล่านั้น่มั่นใจถ้าตายก็ตายอย่างอื่นถ้าเป็นทุกข์ก็ ไม่เป็นทุกเรื่องนั้นเป็นทุกข์ก็เป็นสภาวะทุกข์ล่วนๆแต่เป็มีขันห้าก็ขันห้าก็เป็นขันห้าล่วนๆอ่าไม่ใช่มีอุปท า, านเข้าไปเกี่ยวข้องกับขันหา้าชีวิตเราไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเป็นชีวิตล่วนๆแต่ก่อนโอ้ความรักก็มาใช่ความชังก็มาใช่ความยินดียินร้ายก็มาใช่ความไปตกกังวลก็มาใช่ ความร้อนความาโกรธความขัดขืดอัดขัดเครื่องความเครียดความโอ้ยมันมาใช้รับใช้หันที่มันไม่ต้องไปใช้แล้วปลดปล่อยออกมาได้แล้วเป็นอิสระใช่แต่ธรรมชาติเน่ยแต่ธรรมชาติปลอกแปก๊กปลอกแปก๊กธรรมชาติอยู่แต่ก่อนมันไม่ปลอกแปก๊กธรรมดามันมันตุ่ตมต่มอะไรที่มันเกิดขึ้น มันต่มตามมันงอนแย่นคอนแคนมันบ่อนมันไวอ่าอ่ามันไม่มีอนะ่ะสงบตรงแล้วจสงกจากข้าศึกก็ต้องมีอย่างนี้บ่าการปฏิบัติธรรมก็เห็นเป็นกอบเป็นกรรมไปคนเจริญสติมันรู้มันก็ต้องมีความรู้ความรู้ก็ใช่เป็นความรู้ความรู้ก็จเจริญในความรู้ ล้มก็เสื่อมไปเสื่อมไปมันก็เป็นตรงกันข้ามไปเรื่อยๆปฏิบัติธรรมเราจึงมาสร้างกันเหมืนหลวงพ่อโคดวันก่อนเราได้งานได้การเราได้งานได้การที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งเราได้เครื่องมือแต่เป็นเครื่องมือลื่อถอดอะไรที่มันปรับตรงไปถอนง่ายๆ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 อถ้าเป็นเสียงนะไม่ใช่เสียงพูดเสียงคนเสียงนิมิตอันนั้นมันไม่มีแล้วแต่มันก็มีนะบางคนเกิดนิมิตขึ้นมาอ่านิมิตขึ้นมานิมิตทางตานิมิตทางหูนิมิตทางจมูกนิมิตทางลิ้นนิมิตทางกายนิมิตทางใจไม่ได้เหมือนกันบางคนปฏิบัติไปแต่ถ้ามัอยากให้มันมีก็ อ, อยากไปเพ่งอย่าไปอย่าไปรีบ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 ค่ำเครียดเตินไปก็ไมใครดีนะทำสบายๆเหมือนนักเรียนเรียนดีนักเรียนเรียนเก่งมักจะมีหน้าตายิ่มแยีมแจ่มใสอารมณ์ดีพูดยามยิ้มแย้มแจ่มใสคําพูดก็ไม่แสดงเป็ความยากท่าทางก็ไม่แสดงถึงความยุ่งยาก เวลาเขาเขาสอบเขาทําเล่นเล่นไดวางหน้าวางตาไม่ใช่เพ่งสายตา เ, าเขาเนี่ยสบายสบายปกติเขาเดินนักเรียนทั้งหลายเดินออกห้องเขายังนั่งเขียนแล้วยังนั่งเล่นอ่านอีกเขียนเล่นไปหม ด, ดเวลาตีละครัเพลง เดินรอบดูรอบขอ่ขอสอบข้อเขียนของเขาอ่านแล้ววางบนโต๊ ะ, ะนั่งคานวณไปกมาอ่านแล้ววางบนโต๊ะพอหมดเวลาเดินออกของเรียนไม่ต้องรีบไปไหนมีนักเรียนไม่ถึงยี่สิบคนเราก็ไปดูเขาสอบอยู่ที่โคราดมีหลานชายในลูกไปสุดเนี่ยเขาไปสอบไปดู เขาเดินออกห้องเรียนพวกหนึ่งกลับบ้านเย็นไปแล้วแต่พวกพวกเก่งๆไงใช้เวลาจนหมดเวลาเดินออกห้องเรียนสง่าผาเพิ่มแยี่ยมใจกานปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันจะไปปวดเบื่อตึงเครียดทำอะไรลงไปเนี่ย บ, บังคับครับใสลรีดบันทีมันก็ไม่ไหวโดยเฉพาะให้โอกาส ความเคยขินนิดใสของเรานะ่บางทีก็ให้โอกาสถ้าไปบังคับอาจจะง่วงนะถ้าทำสบายๆอาจจะไม่เคยง่วงหรอกถ้าทำสบายๆอาจจะคิดไม่มากถ้าทำสบายๆอาจจะไม่ค่อยเป็นภาระถ้าทำยากๆ ก, ก็เป็นภาระมันรอจับวัวจับควายคนที่ขีดยาหลวงพ่อเคยสอนคนหลวงพ่อเคยเป็นนักเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย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 ขนเขาเขาคอายนะ่ะค่อยๆลูบลูบคำคำขีคอเล่นไป จ, จับคางลูกจมูกอ๋อทีเรานิ้วสอดเข้าไปลูบจมูกเล่นๆได้ไหมง่ายเลยเวลาเราถือเจี๊ยกต่มันเดือยจมูกง่้เราเลยเราก็ค่อยลูบสอดเข้าไปได้ค่อยๆบางคนไปทิ่มไปแทงมันดังจนมันมันก็เจ็บเหมือนถ้าค่อยๆมันไปเจ็บเหมือนคนบ่งหนามบางคนก็บ่งน้ําให้ค่อยเจ็บนะ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 สบายไปหลงบ้างก็ไม่เป็นไรทำไม่ลู้ไม่นะก็ทำไปทำหลงเนี่ยทำเล่นๆตายใจดีๆหลายอย่างที่มันปรับไปกิฏยาอาการท่าทา ง, งจิตใจนะยกมือสั่งจังวะาก็ทำแบบอ่อนโยนยิ้มแย้มแจมใสบางคนก็นกทำาพือเอาเราคึก ก, ก็หน้าตาก็เครงเครียดออกไป่าก็ง่วงก็เครียดพอตกสบงบตื้อตันเรื่อยๆคิดก็ไม่คิดมากนะ <c oughs> คือมันดิ้นอะ่ะถ้าเราจับไม่เจ็นก็ดิ้นเหมือนกันโดยเพราะชีวิตจิตใจของเรามันเคยกินเคยไหลไปทางไหนพ อ, อเราจะหานหักเป็นด้ามผ้าด้วยเขา่ามันก็ลงยากต้องค่อยนวดค่อยอะไรมันไป ปล่อยนวดทีสองทีนวดทีสองทีก็ไปมมันก็อ่อนเราจะดัดไม้มาทําอ่าของที่มันกลมๆ ม, มาทําวงมาทําขอบสวิงมาทําขอบกระดุกตัดไม้ไผ่มาทํากอบโดนไม่ใช่จะไปหากเลือเข่าทันทีนวดที่นั่นนวดที่นี่บางทีเราต้องนวดตั้งแต่มันอยู่ในตน้นอ่าเห็นเราจะเอาไม้มาทํากั กระติบข้าวเป็นฝาเป็นตีนเป็นอะไรมนะันอ่ะบันที่เราจับต้นมันนวดลงเสียก่มันเป็นต้นอยู่ยืนอยู่เราก็ค่อยนวดลงนวดที่แรกก็นวดได้ไ น, น้อยนวดที่สองก็ไปอีกไกลนวดที่สามก็เวียงไปไกลนวดที่สีก็เวียงไปเวี่ยงไปเวียงไปจนโคบไปมันช่ไปหากพึ่บเลยมันก็หักแล้วจีต้นจีต้นก็หักท่านวดัดไปเรียนการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน การโลกสอดเข้าไปความรูดสอดเข้าไปความลดสอดเข้าไปจากน้อยๆแต่มันมันมันชัดเจนนะบางคนก็พึ๊บพบไล้มันแรงเกินไป <c oughs> มันรับไม่ได้ชีวิตเรามันก็ต้องยอมรับบางอย่างที่เราให้ข้อมูลใจเราให้ข้อมูลใจเราบางอย่างเราต้องค่อยๆรับไปนะ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 มันก็ศูนย์เปล่าการทําหนักๆก็ศูญเปล่ า, กกลาไม่มีประโยชน์อจะไปดึงกันทาไมเหมันเราเหมือนวัวมืนควายเขาเชื่องอยู่แล้วแต่ไปทกไปทื้นเขาทําไมะก็เขาก็พอไปดงไปทกไปถื่นก็ ก, กลายเป็นยากกลายเป็นอพยศไปเลยะก <c oughs> ารปริบัติธรรมกันกันก็รู้จากตัวเองนะ มันเป็นอย่างไรค่อยนกักตะล้สอนลูกปางคนนั่นแหละค่อยสอนค่อยบอกไม่ใช่ไปดุไปด่าตะคอกตะขยอขยันอะไรไม่ก็ไม่ได้นั่นบางทีมันไม่ชอบพลายสังกันชีวิตเรานะ่ะชอบผ่อนโยนสุขขมโดยเพราะความรู้สึกตัวน่ะ ถ้าเราทำถูกมันสุ ข, ขมุมนสุ ข, ขุมอ่อนโยนยิ้มแย้มยืดหยุ่นยินยอมอยู่ในตัวเสร็จไม่รู้สิตัวนะอะมันก็ดีไปเองนะไม่ดีแบบไม่รู้สิตัวเหมือนกันมันไปทางไหนแล้วไม่รู้สิตัวพอมามองขึ้นลังโอ้โหมันมาไกลแล้วมันเราขึ้นเขาเราก็ก้าวทีละก้าวข้าทีละก้าว พอมองขึ้นไปทางหลังโอ้เห็นป่วยเท่าตัวโม่ฉงมาแล้วฉงมาแล้วนะแต่ว่าเราไม่รู้เราเดินขึ้นมาแล้วไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยเลยแต่ถ้าบางคนโหม่ไปไหมถึงไหนก็อ่าหมดแรงหรออ่อนอแอละมันโอ้ไหวไหมไหวไหมไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่ า, ลาใจก็กลัวกายก็เหนื่อยก็ยิ่งไม่ไหวเลย แต่ใจต้องไม่เป็นไรนะเหนื่อยมันก็ธรรมดาหายใจเดินไม่เหนื่อยมันก็ไม่ใช่หรอกเราเดินมันเหนื่อยมันก็ต้องการลมหายใจเข้าไปในออกซิเจนในร่างกายก็สูดห้อยใจด้วยความรู้สึกสบายไปเดินไปหายใจไปอย่าไปกัน้นอย่าไปอะไรปล่อยไปทางกายท้งใจให้มันกลมกลืนกันไป การสร้างจังหวะการเดินจงกรมมันกลมกลืนกันไปยอดความรู้สึกตัวเข้าไปเสริมความรู้สึกตัวเข้าไปให้พอดีพอดีกับแรงของอธิตบทการเดินก็ดีการนั่งสร้างจังหวะก็ดีการสร้างจังหวะก็เหมาะกับความให้ความรู้สึกเข้าไป โยนความรู้สึกเข้าไปพอดีพอดีให้แม่นแม่นนะอยู่ในบริบทใ้แต่ลมหายใจยกมือเคลื่อนไหวการเดินจงกลมนั่งอยู่เฉยเยนอนเฉยๆยให้มันพอดีพอดีมันไม่ความพอดีมันเป็นมักเันดูอยู่ดูอยู่เห็นอยู่รู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้นะไม่มีอะไรที่จะชำนานเข้าที่เข้าทาง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 แต่ไม่สัมผัสสัมพันธ์กันดีก็แคะแกนแค่แกนไม่เข้ากันไม่ได้เหมือนผัวพี่ชายหญิงสาวรักกันแต่งงานกันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันไม่มีมิตสัมพันธ์ที่ดีมิตรที่ดีสติกับกายสติกับใจ อะไรก็ตามต า, มตามเห็นโลโลสึกหูได้์ยินเสียงโลสึกจมูกได้กินลูลสึกลิ้นได้ลดโลสึกกายสมัมผัสโลสึกกิจใจมันคิดโลสึกโอ้ไั่มีอะไรที่จะดีไปกว่านี่หรอกเราไปกินดีไปกินไรไม่ใช่ไม่ใช่เลย <c oughs> ไม่ใช่เลยเจ็บมันกระทบกระเทือนแต่ลูลสึกมันนิ่มมากๆสัมผัสไ ม, ม่ลด คืเรียกว่าลดพระธรรมสพาวะสังธรรมลโัโสสพาวะติงตธรรมลัทิลถพระิธรรมย่อมชนะรถท่องฟงลดความรู้สึกตัวเนี่ยลถความหลงโอ้ยไม่ไหวหรอกหันหัวถ้าเป็น อ, อาหารก็ไม่เอาหรอกช่อนหลังไม่เอาขอช่อนเดียวเท่านี้แหละคำเดียวเท่านี้แหละคำหลังไม่เอาอีกแล้ว มันสัมผัสดูแล้วสัมผัสกับความโกรธโอ้ไมดหน่อยเราไม่เอาอีกแล้วสัมผัสกับความโลภไม่เอาอีกแล้วสัมผัสกับความหลงโอ้ไม่เอาอีกแล้ ว, ว, ลอ เ, ออลวเอาอะไรเอาเอาอันใหม่เลือกได้สิเลือกได้วันเรากินข้าวอาหารแ ย, ย่ๆอ่าก็เลือกเอาพอดีพอดีพอดีอด <c oughs> จนอิ่มได้เหมือนกันไม่ต้องไปเอาอะไรทั่วๆไป อาหารอยู่ในถ้วยในชามเยอะวมาอาหารที่ญาติโยมชาวบ้านศรัทธ า, านามาถวายใส่ภาชนะม า, าบางอย่างบางอย่างไม่แตะต้องเลยเพราะไม่ใช่ไปเอาตะพุตะพื้นไม่จำเป็นมันก็ยังอีมมันก็ยังอยู่ได้ไปเอาเลยมากไปการปฏิบัติธรรมก็มัน ไ, ไม่ใช่ไป ยินดีไม่ใช่ไปยินได้ไม่ใช่ไปสุขไม่ใช่ไปทุกข์ไม่ใช่ไปชอบไม่ใช่ไปไม่ชอบโอ้มันก็จุยกระจายเอาพอดีเนี่ยลูกจิตตัวเนี่ยมันเจริญได้เหมือนกันเติบโตได้ผมว่าจันเจริญในแบบนี้ลูกจิกตัวเนี่ยอาหารพรหมจรรย์ความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความยินดียินร้ายไม่ใช่อาหารพรหมจรรย์มันเป็นอาหารเตะใช่ไหมอาจารย์ม kind of kind of ันเป็นอาหารโรมันมา เออเอาดูที่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนกระสานแล้วไม่ใช่คนหมูแล้วถ้าไปรับอาหารแลอะ่ะจะเป็นใครไปแล้วไม่รู้เหมือนกันต้องยี่งรู้จักตัวรู้จักตัวเนี่ยความรู้จักตัวของรู้จักตัวเป็นอาหารพระเป็นอาหารพรหมจักรชีวิตพรหมจักรเจริญแบบนี้ดูดนมอริมักเนี่ยอริมักเนี่ยเป็นนมนะ เป็นนมเป็นโชานะโลดสตัวโลดสตัวเนี่ยให้มันจะเลิญทางตาก็โลดสตัวหน่อยทางหูก็โลดสตัวจมูกที่นิ่งกายใจโลดะตัว่ะเป็นอาหารเน่ยเรี่ยงชีวิตด้วยศีกขาและธรรมสิโคนังศีขาซาชีวะสมาปณนาเรี่ยงชีวิตด้วยศีกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของปิจูทั้งหลาย สิ่งตก็คือเห็นผู้เห็นไัยเห็นไัยอะไรล่ะเห็นไผ่คือความหลงเห็นไผ่คือความโกรกเห็นไผ่คือความโลภเห็นไผ่คือความรักความชังเห็นไผ่กิเลสตนะราคะเล่าหล่อนวิชิช้าพยาบาทนั่นั้นมันเห็นไผ่มันก็เลยไม่เอารู้สึกตัวรู้สึกตัวเห็นความโง่หลงอง่ไวเห็นความยึดมันถือมั่นอืมมันไม่ภัย ทำอยู่ทีๆเอ้ามันปุบ๊บขึ้นมาไปแล้วยินดีไปทางอื่นไม่พอใจที่จะสร้างสติขอใจที่จะปล่อยปละละเลยเล่นดีกว่าคุยกันดีกว่าเห็นมิดเหผื่อนเอ้าเดินไปหากันชวนกันไปขึ้นมาขำป้อมช่วยกันชวนกันไปเดินไปเล่นนอนน้องลูนอ น, น, อ น, อนคุยกันไปเอาไปแล้วครึ่งวันเลยลืม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 ในที่นั่งสร้างจังหวาพอดีพอดีช่วยโอกาสไม่มีไม่มีเวลาก็ช่วยโอกาสภายในตัวเองเราเชิตัวบางทีก็สงบ ข, ขอพูดกันเราลืมไปลืมฟังไปเราลูกเชตัวของเราเราก็ทำไปไม่ใช่ง่ายนะบางทีเนี่ยแสวงหาไม่ได้พูดก็ อ, อยากจะพูดเวลามีโอกาสก็พูดเอาพูดเอา แต่ถ้าเรามีสติมีโอกาสก็ไปโฟดลูเอาลูเอกมันก็ตรงมันก็ต่างกันมันกลับกันนะปฏิบัตธิธรรมเนี่ยก็ต้องพอสมควรนะมักปฏิบัติผู้ที่ถึงมักถึงผลว่ต้องพอสมควรใส่ใจพอสมควรลักพอสมควรรักการลักงานพอสมควรเมื่อกรเราทํางานอาชีพต้องลักงานรักการพอสมควรมันจึงจะทํางานได้สำเร็จ จากการน้อยๆาม่ความรักการเอาไปมาเก้าข้าวหน้าไปเรื่อยๆไปส่งหลวงปู่คําเสียงหลวงปู่คํามเสียงเป็นครูที่แรกนะค่าเงินเดือนสิบสองบาทเงินเดือนสิบสองบาทนะเอาไปมาเลี่ยงลกูกเลี่ยงครอบเลี่ยงโครัได้ลูกเป็นโคเป็นเลยหมดเงินเดือนสิบสองบาทรักการกการักงานทํางานไป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 สมัยก่อนด้วยจำไปเพราะอะไรมันก็จะเป็นอันตรายอ่าถ้าเราไม่มีทำสมัยทุกวนันอยู่กับโลกด้วยความยากลําบากถูกโลกทับถมได้ง่ายนะอันตรายแย่ยๆทุกวันนี่นะต้องเป็นยุคทองยุคทำเราละทุกวันเนี่ยประมาทไม่ได้แล้วนะดูชิอะไรๆก็มีแต่พิษภัยทั้งหมดแล้ว ในน้ำก็ไม่พัยม่พิษในอากาศก็เป็นพิษในดินก็เป็นพิษในอาหารก็เป็นพิษอ่าแม่แต่ในชีวิตเราก็ยังเป็นพิษต่อชีวิตเราคนเราจะมีความโลภความโกรธความหลงมากกว่าคนโบราณทวนนี้นะมีกิเลสตัณหามากกว่าคนโบราณอ่าในยินเด็กน้อยเขามาเล่นวัดเขาคุยกันเักเรียนพอสองมีแฟนแล้วเขาบอกว่าะลุงปู่ลุงปู่บัก ะบักปักไม่แพนเราได้ลองกู้เนี่ยอ๋อไปได้แล้วอะไรเรา จ, นะจะเขียนดูเรื่อกันอะไรเราเด็กกูเนี่แนตะ่ก่อนเนี่ยโอ้ยหลวงพ่อเนี่ยังเล่นกับผู้หญิงไปโดดน้ำเขามีตู้ไม่นมโดดน้ําแล้วก็หยอกล้อกันเออมันก็ยังไม่เป็น้วแต่ว่วาในไปแบบนั้นอะไรคมคืนก็ไม่ค่อยมีสมัยตอนนะเพราะฉะนั้นคนทุกวันมันมีกิเลสหมาตันหามาก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 หาสิ่งที่คุ้มครองป้องกันให้เน่นมาไม่ทำนไม่ทำไม่ใช่ไปข่องพระข่องกระตุดขอถาอะไรไม่ใช่ฮะอย่างที่เขาว่ามงคลอะไรทำดีดีกว่ามงคล สร้างกุศลดีกว่านั่งเข้าเครื่องรางของขังปุกเศกแขนสับังขาดป่างแขนบ้างลงลงังที่ขาดบาดตัวหอยงกิเลสทำพงกิเลสเต็มพ ง, รร ม, พงมงคนไร่คมได้ซื้อหามากองพระลงพลงังนอนตายกลายกองเครื่องรางธรรมะตังหากเป็นเครื่องคงคของเพราะเป็นตัวทมองค์กิง มีธรรมเลยไม่ีใครยิงไม่มีธรรมเสียสิ่งไม่มีใครยิงก็าตายเพราะฉะนั้นมีธรรมเนี่ยมันดีกว่าไปแขนกระตุค้าท้าไม่ไปกลัวอะไรเพรมีธรรมต้องมีรู้มีความรู้สึกตัวไม่มีรกที่จะมาทำอะไรเราให้เราโกรธเราโลภเราลงได้พราเราไม่ทำอยู่ ถ้าเขาแขวนข้าหน่ไม่มีป้องกันได้ไหมมาป้องกันไม่ได้ยิ่งกระโดดเข้าไปพะลุงพะหลังซื้อหามาพุ่มมาฟองแขวนก็ตุดลงหลังนอนกายตายเครื่องรางกองเยอะแยะไปหมดเลยไม่แม่ทและไมีใครยิงเรายิ้มแย้มแจ่มใสเราไม่เบียดเบียนใครเราไปไหนเราไปทําความดีนะ เนี่เราทําความดีเราจะตายแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีความผิดอะไรอ้าวสังขารก็ไม่จําเป็นไม่ต้องไว้ทุกข์ไว้รอดคนกลัวคนชั่วก็ต้องกลัวเขาทุกข์ร้อนพอคนดีไม่ทุกข์ไม่รอดจะตายก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ทําชั่วอะไรนะอ่าเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยในยุคนี้สมัยนี้นะถ้าขาดทแล้วก็โอ้ลําบาก พวกเราจึงชวนกันชวนกันประกาศต่อไปฮะเ mm hmm. มื่อวานก็มีโน่นญาติธรรมอินโดนีเซียญาติธรรมสิงคโปรญาติธรรมมาเลเซียหลวงพ่อเคยไปสอนทำที่บ้านเขา mm hmm. เขามาทามุนก็โยมผู้หญิงนี่น mm hmm. เขาให้บ้านหลวงพ่อไปพักเลยเราพาเขาไปบ้านหลายหลังอยู่มาเลเซียนี่กุลูปูลกุลลอมเปิ โกโลลาลําเปิลถ้าเขาพูดกับกโลโปูกโลโ ป, กลปูกุกลปูกโลโปอะไรนาะที่แท้เป็นกุลาลําเปิลหลวงพ่อไปพักที่บ้านเขาเขาให้บ้านพักไปอยู่ไปสอนทำเที่นั้นเขาบอกว่าเขาพิมพ์หนังสือหลวงพ่อห้าพันเล่มภริแพทย์เท่นั้นเลยแล้วเขาเลยเน่าจะถือมาให้เราวางกันพ่อจะส่งมาญาติที่ทำเขาปฏิบัติทำมีห้องสมุด เขาสร้างห้องสมุดขึ้นมามีรูปหลวงพ่ออยู่นั่นมีรูปหลวงพ่อเทียนมีรูปอาจารย์เทวดาธมีรูปหลวงพ่อชามีรูปหลวงพ่อปัญญานัณฐาเติดอยู่ห้องสมุดแผน่นใหญ่ๆเขาโอเขาก็รู้จากเราไม่รู้ชุดตัวเขาปฏิบัติทะเราก็อยู่ที่ไหนกันต้องปฏิบัติธรรมต้องเจริญสติอย่าให้มันขาดแขนกัะตื่นขึ้นมาเอาเลยเอาเลยรู้สึกตัว อย่าไปซุ่มเศร้าอย่าไปกระเตลกระตาเกิดตรองไห น, นจับงานจับการนะทําพอเหมาะพอดีอย่าไปเครียดอย่าไปขึงอย่าไปบึง่งอย่าไปตึงอย่าไปอ่อนแออแยิมแยมแยมไสทําได้ก็ไม่เป็นไรทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้ก่อนถ้าไม่เป็นไรไว้ก่อนทํำเลยง่ายง่าถ้าไปแล้วกูจะเอาให้ได้กูจะเอาให้ได้โอ้ยยากยากมากนะ อหัวโคตรหัวเวียงอ่าถ้าไม่เป็นไรเนี่ไม่เป็นไรจะพึ่งจะฟือไปอ้าวผิดก็ไม่เป็นไรทําถูกไหม้หลงก็ไม่เป็นไรทําถูกเอาไม้อ่าหัวหนองเป็นหนองไม่เป็นไรอ้าวลูกเอาไม้อ่าแก้ใหม่แก้ใหม่จะทําใหม่อยู่เรื่อยตั้งชีวิตที่จะดีต้องตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยถ้าไม่ตั้งต้นใหม่มันไม่ดีครับตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่อย่าไปให้มันเก่า มันหลงก็ไปโจมอยู่กับความหลงมันทุกข์ก็ไปโจมอยู่กับความทุกข์ตั้งต้นใหม่ที่มันหลงก็เอาตั้งต้นใหม่ไม่หลงมันทุกข์ก็ตั้งต้นใหม่ไม่ทุกข์มันโ ก, กรธก็ตั้งต้นใหม่ไม่โกรธบางคนไปล้มอยู่กับความโกรธอยู่หลายวันไม่ลุกหนีจากความโกรธเอามาล้มนั่นแหละทับอยู่นั่นแหละลุกไม่ขึ้นเขาว่าก็เล่าเขาว่ากันเล่า เขาทำกับเราเขาทำกับเราโอ้มันล้มมันโจมมันทำอยู่ลุกขึ้นมาไม่เป็นหไรไม่เป็นหลักช่างหัวมันช่างหัวมันเองแค่นั้นเองเป็นแค่นั้นเองในโลกมันเป็นั้นมันเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่เรามาศพคนเดียวเรามาอยู่กับโลกมันก็ต้องมีอย่างนี้เขาเกิดก่อนแล้วจะไปทุกทํำไมลุยได้เลยวะสู้จากตัวโลกจากตัวมันเพื่อให้เราลุยเหมือนน้ำมันต้องมีเหลือลุยนะ ในถนนต้องมีรถลุยถนนชีวิตรเราต้องลุยเหมือนกันความทุกข์ทำให้เรถสติต้องลุยบนความทุกข์ความโกรธต้องสติลุยบนความโกรธมันมีอะไรที่แก้กันอยู่ลุยอยู่นะเอาธรรมาแก้กันอยู่ชีวิตรเราเหมือนกันมีที่เกิดมีที่ดับมีที่ผิดไม่ที่ถูกมีที่ทุกข์มีที่ไม่ทุกข์ลุยมันต่ น, นั้น เป็นลุยๆสักหน่อยวิบากสักหน่อยสู้สักหน่อยโลดจึกตัวมันเป็นกีฬาของพวกเราความโลดจึกตัวความโลดสึกตัวนะ<ม>ก็พูดกันทุกวันทุกวันหลวงพ่อก็ขอให้หลวงพ่อได้พูดอย่างไรนะคนผู้ฟังไม่รู้จะเป็นยังไงแต่หลวงพ่อก็ฟังหลวงพ่อเทียนก็โอ้ยอย่างนี้ น, น ะ, นะ<ม>อ๋อเนาละเอาละก็สมควรใจเวลาพวกเรากลับห้องกัน อะระหังสัมมาสัมพุทธะทัสสะโอังทัสะวันตังอะหิวะเทตวะกัตโตหะวะกัตถโมทัมมะตะตุปะฏิปโนหะทะวะโตสะวะ a ะตังโก h a n g momma.